บันทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่ยีสิบหาพฤศจิกายนสองพันหาร้อยจดณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเราเป็นนักปฏิบัติด้วยกัน ท, กทุกท่าน บางต้นในมุ่งมาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษา เ, าเรียนพอสมควรและ ม, มีความมุ่งหวังในทางด้านในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข่าสิดต่อจิตใจของตน การจะพยายามแบกวายตนให้พ้นจากอุปรสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมนี้หนอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดี ที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากกุปสักทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำ ผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเลือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัทสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกัน หลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกโตรดอย่าเห็นพระธรรมวินัย เป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแ ง, ง่ทุกมุมทุกริยาบทความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งหน้าจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุดโดยสิ้นเชิง แต่ผู้จะก้าตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื้อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากตามลำพังของกิเลส อ, อาสวะที่ถูกลากไปนี่ทันเรียกมา สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามจีกกันหรือดัดแปลงความอยากนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกๆท่ทานและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพื่อความพ้นทุกจงเห็นหลักความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผยไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือน และฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะให้มีโอกาสถุดลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจย่อมเป็นไปเช่นนั้น ทุกๆรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืนทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใด เพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สังส่งสมตัวเองมาเป็นเวลาานและมีจนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกๆขณะเมื่อเรามีความพรังเผอจากหลักของธรรมนิ่ยไปจริงเรานี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกๆระยะ การฝึกฝนอบรมเบื้องตน้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกๆประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนิยนฝืนไปทุกวันอุสาวบบำเพ็ญไปทุกวัน ผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบยือกเย็นนั่นและชื่อว่าต้นพุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืน หรือการฝึกผลทรมานตนทุกๆระยะผู้จะพเพนญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเถีอยเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่าน พยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนัก ในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสินใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้าง เขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดี มีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยกลมและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกหนักอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนั บ, นบตั้งแต่ลุกขมู ล, ลันเซนาสนังนิสายปปรจจาตัตโยยาวชีบางุสาหูการเนียวเป็นต้นไปหลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อนี้คืออาหารของพระภูได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนิน และหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมะบิัยแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดที่รวมหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปเป็นลำดับ อาหารนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสเสวยแล้วปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาสาวกทั้งหลายได้ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอาหารหันขึ้นมาไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้น ไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำหนึ่งถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า อาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่นานอาหารประเภทที่เป็นฆ่าศิกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพ ไม่สามารถจะตั้งหลักทางฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาศวะที่เป็นอาหารอันเจือประดยพิษย่ำดีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาพัอาภัพในเพศของตนนี่อาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือค่าศึกของพระ ที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรายทานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระมี่การเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการล่ำหมากเช่นนี้ แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความลำบากยากเยน็นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียบตะกายหรือความขายันหมั่นเพียรผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมะคาสังสอนของพระพุทธเจ้านี้ แม้จะแสนลำบากยากแค้นสักปันใดผลจ ะ, สะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายละลาย จงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัตินำเนินตามหลักธรรมะคำส อ, อนของพบพุทธเจอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังวังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมา เด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังมังชาก็มีพราะมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบารุงเรื่องของ จ, จิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะก็มาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ลุ่ทุพพ ล, ลาภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบารุงรักษาใจของพระ หน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอเสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดีและจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกภูมอยู่ในหัวใจของเหล่านั้นจะค่อยจืดจางและหายไปเป็นลำดับ และจะกลายเป็นสิ่งที่ทุ้ผลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำลุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำานับลำหนับเมื่อใจของพระเราได้ภูกการบำลุงด้วยครอปฏิบัติที่ชอบทำตามหลักแห่งสวดคาตธรรมแล้วคำว่า พระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพร ะ, พระอานาคาบรรลุระารหันนั่นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั่นเป็นลำดับลาดับที่กล่าวมาทั้งสี่ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมาชาติเป็นขั้นขันที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มี ทำเครื่องนอนเลี้ยงน้ําใจเมื่อทําทั้งสี่ประเภทนี้ได้แสปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นขั้นแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสะกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระระหันขึ้นมาภายในใจที่เคยทุบปรุณภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัย ดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือจะขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเ ย, ยนว่าตายเกิดยู่นี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในบกเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในพบชาติต่างๆ มาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตูของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยาบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้า ให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมุตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนจินหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระรหันธ์ทั้งหลายนิพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ทันตรัสรู้ กคลยกับว่าไก่แสนไก่แต่หลักธรรมที่พระพธธุทธเจ้าตรัสสรู้ก็ดีที่พระพธธุทธเจ้าทรงบรรลุสัพพะเทสสัพพะทิเสสนิพานก็ดีไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะ น, นี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจ ใจนี้แลเป็นผู้จะชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่ว รวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกเราทุกท่านได้เคยผ่านทุกมาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกเกิดมาก็มาประสบทุกเอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกนั่งก็นั่งด้วยทุกยืนด้วยทุกนอนด้วยทุกไปด้วยทุกมาด้วยทุก ทุกทุกขณะทุกจะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี้ท่งนั้นเราจรึงไม่ควรจะสงสัยว่าทุกที่พระพุทธเจ้ารู้แจง้งแทงตลอดนั้นคือทุกตัวไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุ ก, ก็คือทุกอันเดียวกัน เรื่องของทุกข์ก็คือความบีบขั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกข์ก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกข์นอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่ในที่นี้แห่งเดียว นี่เราจรึงไม่ควรสงสัยว่าทุกที่พระพธธุทธเจ้าตรัสสรู้ในครั้งนั้นคือทุกขอะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทไทยอยู่ในหัวใจของเราทุกทุกท่านด้วยกัน มันได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมูทยัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมูทัยเราได้ยินมาจนชินถุงตัวของสมูทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตาอํานาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมูทยัย อยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกๆเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมูทัย โปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสําหรับสมุททยปฏิ บ, ตบตัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกๆขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทย และไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกันกบทุกนี่แลคือโคดเชื้อพ่อแม่ของทุกขผู้นี้แลเป็นผู้ผลิตทุกขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใดโตที่สุดสําหรับขีดสา์โลกให้มกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกไม่ได้คือเรื่องของสมูทัยนี่แล แล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วทั่วไปมีเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุนไทยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นไฟตามสมมติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝายชั่วฝายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเราที่นี่ไฟดีสำหรับจะแก้ไฟชั่วคืออะไร นิโรธมรกนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพราะอำนาจของมรกมรกท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโรมีสัมมาส ม, มาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรตคือทางแก้สิ่ง ทั้งหลายเหล่านี้ได้แก้แก้สมูทยัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งหมดนี้นี่ท่านเรียกว่ามัดเครื่องแก้ทุกข์แก้สมูทยัยเมื่อแก้สมูทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมูทยัย ตัวผิดทุกขึ้นมาเมื่อสรุปสีน์มักทั้ง8ดนั่นเข้าแล้วมีสคือสีล์สมาธิปัญญาสีล์คือความไม่คนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความคนองละบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่ น, าน่าดูผิดจากหลักของคนผู้มีสี ถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระเป็นผู้มีใจขนองแล้วบังคับบัญชาออกมาทางกายทางมาจดาให้เป็นจริยาที่ไม่น่าดูนี่คือคนที่ไม่คนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วจริยาของกิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทําความขนองแจก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมา ทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก่ความขนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไร ความที่ใจมีความฟุ้งซ่านบุนวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี่คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสรับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกบีบคั้น คนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความรื่นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนตนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำตังสอนของพระพุทธิจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภท ที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอนาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรมรมลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสํลรสายไปตามที่เคยเป็นมา มีท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจําตนคนที่มีความสงบประจําตนอยู่ที่ไหนก็สบ า, ายไม่มีทุกมารบกวนวุ่นวายนี่เรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกคือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไป ไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้กิจการงานทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบครอบย่อมเป็นไปไม่ได้แม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเคลือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภณ เมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิจะไม่ให้มีปัญญาเครือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบ เยือกเย็นขึ้นไปเป็นลําดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบําเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบําเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปย่อมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกๆด้าน ไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นแห่งความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บําเพ็ญ เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้ มาหายิตเรร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบขอบรู้ตามสภาพความตะความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกเราก็เห็นประจักษ์ใจ โดยไม่ไปต้องไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าทุก์ที่ปรากฏอยู่นบัตนี่กว่าดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่นับบัตรนี่กว่าดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกนี่กาดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกัน และเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันห้านี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยบคายของสภาว่าล่านี้เป็นลำานับ ความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปท า, านอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรดับทุกข์เพราะส ม, มุทัย ตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกไล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดี เป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขันข้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถลื้อถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบาเพ็ญอยู่ณนะบัดนี้ การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกัน ในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆเกมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆั้นลักษณะอันคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพญเสมอแล้ว ก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคาว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดีหรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉียวเฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกัน นี่กล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วทไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกายเป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่งปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันคือเวทนาขันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจ หรือจะเฉยๆภาในกายภานในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีมลักษณะ เคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวัง เรื่องของทุกข์ของสุขจึงคร่าคาวกันอยู่กับภายในใจนด้วยอำ น, นาจแห่งความโง่เข้าเข้าม า, าู้มีความฉล า, าดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาตออกเป็นชิ้นชิ้นออกเป็นส่วนส่ว น, วนโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันตั้งห้านี้ คือใจที่คราเคล้าอยู่กับวิชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุโทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันไม่ได้ถือขันว่า รูปเป็นตนเมทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญานเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นนิมุติหลุดพ้นออกมาจากที่เรียนอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจรงิงทั้งเรื่องของขันทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง แม่ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธินั้นก็กลายเป็นความเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเพือกแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทาหน้าที่ถอดถอนทิเดศเป็นขั้นๆ ข, ข, ขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหน เมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้กับใจที่ของพระพุท ธ, ธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอาริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งสีน่นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคําว่านิโรธความดับทุกข์กว่าดี หรือนิพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้งสี่คือทุกสมุทัยนีโดดมากในกจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแปลกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติดูทุกทุกเวลานี้เลย ดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาแล้วการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำไนย้ยากแต่ไม่เนือ้อเนื้อความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่เบิยสุดขึ้นภายในใจ ชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรมว่ากันจงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียร ะเวลานี้ก็ออกปรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอน และสถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุงนาต่อทาเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับเมื่อทําตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบุร พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไข่ไม่มีสิ่งใดจะมาขอควรจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพอย่างอ ง, องค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมปละพระสงฆ์งมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจ และสะดวกในการบาเพ็ญจนจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่งหากันเถอ